บางคนในโลกนี้คิดว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วแล้วไปนี่คือความคิดของความคิดความเห็นของคนบางคนคิดว่าเกิดแล้วตายแล้วก็วแล้วไป อันนี้แหละเป็นเหตุให้คนไม่เข้าใจในการทำความดีให้กับตนเกิดมาแล้วอยากกินอยากอยู่อยากทำอะไรก็ทำไปตามชอบใจของตนพอคิดว่าตายแล้วก็แล้วไปตายแล้วมันไม่แล้วหรอก ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่มันต้องเกิดถึงแม้เราไม่อยากเกิดมันก็ต้องได้เกิดเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นสัต ด, ดิา萨เกิดเป็นสัตนาโลกได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าโชคดี ซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ทำความดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าความเห็นผิดคิดว่าเกิดมาแล้วชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วก็แล้วไปไม่มีการเกิดอีกใหม่อย่างนี้เียว่าเข้าใจผิดคนเข้าใจผิดแหละจึงทำความชั่วความบาปได้มากมายใหญ่กอง ทำบาปทำอกุศลได้ไ ม, ไม่ไม่ว่าได้เรื่องใดๆผิดศีลห้าศีลแปดศีลจิตศีลสองร้อยเจดทำผิดได้หมดเพราะไม่รู้ว่ามีบาปมีกรรมมีโทษมีอันตรายต่างๆของชีวิตมันไม่แล้วหรอกเกิดมาต้องเกิดอีก ราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอาริยบุคคลการเกิดก็ต้องมีมีมากนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท้วนเราเกิดมาในกี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าเรามีญาณอย่างทราบเราก็จะรู้ได้ว่า เราเกิดมาแล้วกี่หมื่นกี่แสนชาติคนเราต้องเกิดต้องเกิดอีกถ้าเป็นโสราบันเกิดอีกเกตชาติเป็นอย่างชาถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเกิดในภพใดภูมิใดอีกต่อไป สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในวัรทสงสารเรียกว่าทำดีถึงที่สุดจนไม่กลับมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกเลยตาราบใดคนยังเข้าใจผิดอยู่ศาสตร์มันคนก็ต้องทำชั่วทำผิดอยู่ ต่อเมื่อใดได้ฟังนักปราชญ์บัณฑิตหรือครูบาอาจารย์หรืออ่านพระไตรปิฎกก็จะรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของคนนี่มีอยู่ตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสต้องเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนับภพบนับชาตินับกลับนับกันไปทถ่วนมาเกิดในโลกมนุษย์นี่แหละ เรามีบุญพอจะได้เป็นคนเขาก็ให้เป็นคนเกิดมาเป็นคนเกิดเป็นคนเกิดจนบ้างรวยบ้างเพราะอะไรจรึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการทาบุญเราทาบุญได้มากเราเกิดมาเราก็มีความสุขในทรัพย์สินสมบัติข้าวขค้กเงินทองไม่อดไม่ยากเราจะเกิด ชาติไหนก็ตามถ้าเราได้ทำบุญทำกุศลไว้บุญกุศลเหล่านั้นย่อมตามรักษาเราให้เป็นคนมั่งมีสีสุขให้เป็นคนมีเงินมีทองมีข้าวมีของไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนปฏิบัติธรรมก็ได้สำเร็จมากผลนั่นอันนี้เกิดจากการเข้าใจในชีวิตว่าการ เกิดนี้ยังมีอยู่จึงได้รีบเร่งทำคุณงามความดีให้กับตนเราจะต้องเกิดอีกถ้าเรามีบุญมีกุศลเราก็มาเกิดเป็นคนอีกเกิดเป็นคนก็มีความสุขความเจริญไม่โทกต่ำเป็นคนมีเงินมีทองมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สิ์สมบัติ นานับประการเกิดมาก็อยู่บนกองเงินกองทองเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะาคนนั้นเกิดมาแล้วไม่ประมาททำบุญทำกุศลไว้ไม่ประมาทให้ทานไว้รักษาศีลไว้บําเพ็ญภาวนาไว้อันเป็นกุศลของเราเป็นบุญของเรา เป็นความดีของเราเราทำไว้มากก็เป็นบุญของเราเราทำไว้น้อยก็เป็นบุญของเราเราไม่ทำบุญนำกุศลนั่นแหละจึงตกต่ำไปสู่พระภูมิอันต่ำเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าเป็นหนูเป็นแมวไปไง เป็นยิงโยกตุกแกงูเขียวงูขาวเกิดนี่เกิดแน่นอนตราบใดที่เรามีกิเลสอยู่ต้องเกิดแน่นอนที่จะไม่เกิดเลยไม่มีนอกจากเราบรรู้มากผลอย่างพวกเราทำอยู่นี่ถ้าได้เป็นพระโสดาบัน เรามาเกิดด่างซาที่สุดเจ็ดชาติเราก็ต้องพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปได้เป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานไปไม่กลับมาทุกข์มายากว่าลำบากในวัฏฏะอันนี้หรือในโลกอันนี้คนผู้มีปัญญาหรือมี ความได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรืออาา่อานตำราทางพุทธศาสนาเช่นพระไตรปิฎกเราก็จะรู้ว่าการยืนไายตายเกิดนั้นมีแน่นอนเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ประมาทเราทำแต่ความดีทำแต่สิ่งที่ดีที่งามไว้ให้กับตัวเรา เพื่อให้เราเกิดมามีความสุขความเจริญอย่างในธรรมบทแปดภาคนันแปดเล่มใหญ่เป็นหนังสือเรียนของปรเรียนหนึ่งปรเรียนสองสี่เล่มเป็นปรเรียนสามเป็นมหานะ่สามประโยคอีกสี่เล่ม ก็พูดถึงคนที่ได้ดีใจดีเพราะได้ทาบุญทำกุศลสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้จึงได้มาเกิดเป็นคนอย่างนี้และจึงเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านี้พูดไว้มากถ้าได้อ่านได้ศึกษาในนั้นแล้วจะเห็นว่าโอโหคนนี้มันเรียนว่าตายเกิดมีทุกข์มียากมีความเป็นคนล้ำคนรวยต่างกันมาก เนื่องจากทำบุญทำกุศลไว้ถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลไว้เราจะเอาอะไรเป็นทีพึ่งสเสบียงทางของเราก็ยังไม่มีเหมือนคนเดินทางไกลจะต้องมีสเสบียงอาหารถึงจะไม่ลำบากคนที่จะท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวตาร น, นี้คกอเหมือนกันถ้าไม่ทำความดีไว้จะเอาอะไรเป็นทีพึ่ง จะอะไรเป็นสเสบียงทางเราไปสู่สัมภลายจพบคือพบหน้าชาติหน้าที่เราจะต้องเกิดอีกอยู่เราจะอะไรเป็นที่พึ่งเราจะอะไรเป็นสเสบียงทางของเราถ้าเราไม่ทำความดีเอาไว้เราไม่ทำความดีเอาไว้เราก็ไม่ได้ ไม่ได้ความสุขในการเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนยากจนอดอยากอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้อยากจนคนแค้นอดอยากทำงานทั้งวันพอได้อยู่ได้กินไปสืบมื่อสืบวันไปเท่านั้นคนทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละทางานรับจ้างทำงานทำการ ได้เงินมาก็ซื้อเหล่าซื้อเบียร์กินซื้ออาหารการกินค่ำแล้วมืดแล้วก็นอนไปตื่นขึ้นมาก็ทำใหม่นั่นลำบากยากจนหาเชากินค่ำเขเลยว่หาไปกินไม่ใช่อดอดยากๆลำบากลำบน ทนทุกข์ทรามานเพราะความที่เป็นคนไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้นั่นเองบางคนร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่อดไม่ยากอันนั้นเป็นได้ยังไงเป็นได้เพราะว่าเขาทําความดีเอาไว้เขาทําบุญทำกุศลไว้เขาเกิดมาเขาก็ร่ารวยมั่งมีสีสุข ถ้าเกิดมาแล้วเขาร่ารวยแล้วเขาไม่ประมาทเขาทำอีกเขาก็ได้ดีอีกเพราะงการทำบุญทำกุศลจึงไม่ควรประมาทควรทำเอาไว้ให้กับตัวเราเองอย่างเรานั่งสมาธินี่ก็ตามให้ทานปัจจัยสี่ก็ตามที่เราทำไว้ทั้งหมดนั้นแหะ เป็นบุญของเราเป็นกุศลของเราเป็นความดีของเราเป็นผลที่จะให้เกิดความสุขแก่เราเราจะไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็มีความสุขได้เพราะเราทำบุญทำกุศลไว้ถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลมันก็ลาบาก เกิดมาไม่มีบุญไม่มีบรารมีไม่มีความดีที่สั่งสมเอาไว้พอได้มาเกิดเป็นคนนั่นแหละก็ลำบากทุกข์ยากอนาถารับจ้างเขาอยู่เขากินไปสืเมื่อสืบวันถูกละกรรมลำบากพอเราเกิดมาเราประมาท คิดว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวไม่ทำบุญทำกุศลไว้เลยเวลาตายแล้วก็จะรู้เราว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่เชื่อในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ตายไปแล้วก็จะรู้ว่าโอ้เราประมาทมากเรามาตกทุกข์แล้วศีลเราก็ไม่รักษาภาวนาเราก็ไม่ปฏิบัติทานเราก็ไม่ให้ ไม่ทำไว้เลยเลยไม่มีที่พึ่งที่อาศัยก็ต้องไปตามพิศทางของกิจที่ไม่มีบุญมีกุศลก็ได้รับความลำบากขับแค้นทนทุกข์ทรมานอายุหกสิบเจ็ดสิบปีแปดสิบปีตายไปตายก็ตายอย่างผู้หมดหวังตายอย่างที่ว่า ไม่มีที่พึ่งระยะเวลาเจ็ดสิบแปดสิบปีที่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้เลยเราประมาทมากไม่ทำความดีไว้เลยเราจะอะไรเป็นที่พึ่งแต่ยอมรับได้ว่าผู้มาปฏิบัตินี้ได้ที่พึ่งอันสูงสุดแล้วคือศีลคือธรรม ทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนานเราก็ปฏิบัติเราได้อา น, นิสงส์ความดีแล้วถ้าไม่ประมาททาไปเรื่อยๆตลอดอายุไขของเราเราก็จะเป็นคนมีบุญมีกุศลสูงส่งไม่ตกอยู่ในภูมิต่ำไม่อยู่ในภพต่ำภูมิต่ำ คือเป็นสัตว์รีสสารเป็นเพเป็นอาุลกายเป็นสัตนาลกเราไม่ได้ไปสู่ภูมิันต่ำนี้ซึ่งเรียกว่าอาบายภูมิแปลภูมิที่ต่ำที่เร็วที่ไม่ดีอาบายภูมินี้เปิดประตูไว้สำหรับคนที่ประมาทแล้วในชีวิต ที่ไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้นั่นไม่ได้ทำความดีอะไรไว้นั่นโอกาสที่จะไปสู่พระผูมบต่ดามันมีมากท้าเปรียบไว้ว่าโคตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขานอกนั้นมีแต่ขนโคเต็มไปหมด คนโคนี่มันมากคุณไปสู่พอภูมิมันต่ำกว่ามันคนโคนั่นแหละคนไปสู่พอภูมิมันสูงเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวดาอินพรมมีน้อยเท่ากับเขาโคล โคตรลงมี่สองเขานั่นละท่านเปียบไว้ให้เห็นว่าคนประมาทแล้วในโลกนี้เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างขนโคนละนนะ่ะมันมากไม่ได้ทําคนงามความดีอะไรไว้เป็นไปตามโลกตามวัตฏะแล้วแต่จะเป็นแล้วแต่จะไป ไม่คิดถึงบุญถึงกุศลไม่คิดถึงคุณงามความดีเลยไม่คิดจะสร้างความดีให้กับตนปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นไปตามวัตตะแต่ ท, ที่จะให้ไปวิวัฏฏะอย่างที่เราทำอยู่นี่มีน้อย คนในจังหวัดหนึ่งหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนมันมากคนที่จะเห็นว่าเราเกิดมาเรามาสร้างความดีเนี่ยมีน้อยที่มาทำความดีทำบุญทำกุศลสร้างสมบมับารมีให้กับตนเนี่ยมีน้อย เกิดมาแล้วเราถึงทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรเพราะประมาทอยู่อย่างเมื่อวานนี่ก็เหมือนกันตอนเย็นมีโยมคนหนึ่งเข้ามากินเหล้าเหม็นถึงเลยว่าตายแล้วแล้วไปเกิดชานีชาติเดียวเขาว่า อาตมา ก, ก็เลยได้ข้อธรรมโอ้คนประมาทมากเนาะข่าสตัตว์ชีวิต ท, ทำบาป ท, ทำกรรมเราก็ไม่ว่าอะไรเขาเราก็คุยตามธรรมดาพูดคุยกับเขาไปแต่ใจเราก็คิดว่าคนนี้ประมาทมากไม่รู้จักการเวียนว่ายตายเกิดของเราเราจะต้องเกิดอีกเราจะต้องไม่ประมาท ในการทำความดีป้องกันเราเองไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วความเลวหรือพบภูมิอันต่ำเขาไม่ได้คิดไว้เลยแหละเรื่องเหล่านี้เขาคิดว่าเกิดมาแล้วแล้วไปตายแล้วแล้วไปจะมาถึงได้มาประลบเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าชีวิตของเรานั้น มันเป็นของน้อยด้วยถ้าเราไม่ทำความดีไว้เราจะ อ, าอะไรเป็นที่พึ่งเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้ทำความดีความงามอะไรไว้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราจะเอาอะไรเป็นสเสบียงในการเดินทางในวัฏสงสาร น, นี้คนที่มีบุญเท่านั้นถึงจะมีความสุข คนที่ได้ทำ บ, บุญไว้เท่านั้นถึงจะมีบุญมีกุศลมีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติไม่อดไม่อยากไม่ลำบากถ้าเราลึกชาติได้นับไปจากนี่หนึ่งร้อกลับมามีศาสนาของพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปิยทัตสีนับจากปัจจุบันนี้ไปถึงอดีตนั้น 1,800 ั 1> 1, 800กับ1800ั 1, กับนี่เราได้ทำความดีในสานักของพุทธเจ้าเราได้ทำความสุขไว้ในพุทธศาสนาตายจากมนุษย์แล้วไปอยู่สวยสุขในที่ผสมบัตินานแสนนานพุทธเจ้าแต่รู้ไปตั้งเกดพระองค์ บุญกุศลของเราก็ยังไม่หมดความที่เราได้ปฏิบัติอุปถาโคตรเจ้าเราลงมาเกิดในมนุษย์นี่ก็ไม่ตกต่ำในเป็นพระราชาเป็นมหากษัตริย์ในเป็นคนมีเงินมีทองไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากจนเกินไป มีอยู่มีกินสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้คือเราไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทนี้ย่อมได้ความสุขมากปฏิบัติธรรมก็ได้สำเร็จมากผลได้สำเร็จคุณงามความดี เนี่ยเร บ, บุญกุสวยมันก็เป็นอย่างนี้มันให้ผลเป็นความสุขแก่เราแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันตายแล้วมันต้องไปเผาทิ้งฝังไว้หรือว่าทำอะไรให้มันดีๆขึ้นโดยการเผาเสียฝังเสียนี่กายของเราเป็นอย่างนี้สุดสุดที่ป่าชากายของเราเนี่ยแต่ใจของเรานี่มันไม่ได้สุดที่ป่าชา ลมออกจากร่างกายนี้ลมเข้าแล้วไม่ออกลมออกแล้วไม่เข้าเราตายเลวหรือว่าหัวใจมันหยุดเต้นมันมีอะไรอุดไว้ตันไว้มันก็ไม่เต้นหัวใจวายตายเลวนั่น จิตวิญญาณเราเป็นไงมาเนี้จิตวิญญาณของเราก็ออกจากร่างอันนี้ไปไปถือพบภูมิใหม่ไปเกิดอีกว่างั้นเถอะจะเกิดเป็นเทวดาอายุยืนนานปานใดก็ตามอันนั้นก็เป็นเพ่อบุญพร่อกุศลที่ได้ทําไว้กันได้เสวยสุขในที่ประสบบัตินานแสนนานดูสิว่านานปานใด นานมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปตั้งเก็ดพระองค์จึงได้ลงมาเกิดในมนุษย์มาเกิดมนุษย์ก็ไม่ตกต่ำได้เป็นใหญ่ด้วยอนาจบุญกุศล น, น, นั่นแหละที่ได้ทำไว้นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขในอดไม่อยาก พ็ได้ทำบุญในเนื้อนาที่ดีก็ไม่อดไม่อยากมีบุญมีกุศลคุ้มครองรักษามีความดีรักษาเพราะเราทำความดีเอาไว้ที่ว่าไม่เกิดนั้นมีแต่กายนี่แหละไม่เกิดอีก แต่ ว, ว่าใจีต้องไปเกิดถือเอาบุญและบาปที่ทำไว้หน่ะไปบุญกับบาปเป็นแหละถ้าบาปมากก็พาไปต่ำถ้าบุญมากก็พาไปสูงไปเกิดในภพภูมิที่ดีมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จน ถ้าไปเป็นเทพเทวดาก็มีสุขอยู่ในสวรรค์นานพอจะลงมาเกิดในมนุษย์ก็นานแสนนานเทวดาก็ไม่อยากมาเกิดในมนุษย์นะเขาเห็นว่ามนุษย์นี่ก็ลำบากเขาก็อยากเป็นเทวดาต่อไปเรื่อยๆเทวดาไม่ประมาทก็สร้างสมคุณงามความดี โดยการปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญคุณงามความดีช่วยเหลือโลกสงเคราะห์โลกดูแลรักษาเมตตาเพรบรรมีทั่วปกป้องรักษาคุ้มกองคุนกุศลก็เกิดขึ้นฟังธรรมปฏิบัติธรรมในสวรรค์ในพมโลกทำความดีอยู่ในพมโลกในสวรรค์ ก็ได้เสำรวยสู่ต่อไปอีกเหมือนเทวดาองค์หนึ่งก็กจะได้จุดติแล้วถ้าจุดติจากสวรรค์ น, นี่จะลงไปไมนะ่ในโลกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้แต่ว่ากรรมดีที่ทำไว้ก็เข้าให้ผลก่อนก็เลยได้ เ, เป็นเทพเทวดาพอเป็นเทพเทวดาอยู่นาน บุญกุศลก็หมดจะลงมาเกิดอะไรทำยังไงทาไงถึงจะไม่ได้ที่ไม่ลงเกิดเพราะอาลงเกิดนี้ก็ต้องไปเกิดในนรกจะทำยังไงถึงจะอายุยืนในที่ผสมบัติเข้าไปหาท้าวส ก, ก่าท้าวส ก, ก่าก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้สวดปริสอันหนึ่ง ให้สวดให้ท่องกอได้สาเร็จทำได้เป็นผ้ารียบบุคคลเลยไมไ่ลงมาเกิดนี้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในสวรรค์อยู่ตั้งแต่พุทธเจ้าตรัสรู้ เ, ออเทศนาสั่งสอนไว้แล้วนะั้นนบดูมาป่านนี้ก็ยังไม่ได้ลงจากสวรรค์ไม่ลงเกิด แถมยังได้เป็นโสดาบันด้วยถ้ามาเกิดก็มาเกิดในภูมิมนุษย์นี่เท่านั้นเองไม่ได้ไปสู่อวบายเพราะได้โสดาบันแล้วนะเป็นเทวดาก็ได้ทาบุญเหมือนกันเอ่ยทความดีเหมือนกันก็ไม่ลงมาเกิดในภูมิมันต่ำ ถ, ถ้าเป็นเทพเป็นเทวดาถ้าได้บุญได้กุศลมากขึ้นเพิ่มขึ้นหรืออย่าบรรลุมากคผในสวรรค์ ก็ไม่ลามาเกิดในภูมิมนุษย์อันต่ำนี้อีกก็เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ต่อไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะสิ้นบุญหมดบุญทีนี้บุญมันมากอย่างคนเราญาติโวมทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันถ้าสร้างสมพุณงามความดีแล้วเราก็ไม่ตกไปสู่ภูมิต่ำเราก็จะถึงความสุขความเจริญเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่ขัดข้อง ไม่มีอะไรเบียดเบียนได้มีแต่ความสุขเพราะเราทำความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นการทำความดีจึงมีความจำเป็นเกิดมาแล้วให้ทำความดีเอาไว้ทานเราก็รีบให้ฐานนั่นแหละเป็นผลดีที่เรามีความสุขในมนุษย์และสวรรค์ ก็เพราะที่เราทานไว้นั่นแหละเราบริจาคไว้ทําบุญไว้นั่นแหละในเนื้อนาที่ดีคือในพระอลิยเจ้าหรือในพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของผู้ที่เจ้าเราก็ได้บุญในกุศลมากในความสุขมากเราทําบุญไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือบุญของเราเราทําอะไรไว้นั่นแหละคือบุญของเราผู้ที่ได้สําเร็จมากผล เพราะบุญที่ได้ทําไว้นั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ได้บรรลุมากผลถ้าเราไม่ทําเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเราไม่มีเราไม่มีเมมสเบียงทางของเราไม่มีแถมเรายังประมาทด้วยว่าเกิดแล้วชาติหนึ่งชาติเดียวไม่ต้องเกิดอีกไม่ใช่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ต้องเกิดอยู่ประมาทไม่ให้ทานประมาทไม่รักษาศีลประมาทไม่บําเพ็ญภาวนา ไม่รู้จักบำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้ก็เสียประโยชน์ที่เกิดมาในโลกนี้เสียประโยชน์มากแต่ถ้าเราคิดได้เข้าใจก็รีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีไว้ติดต่อกันไปเวลาที่ยังเหลืออยู่ก็พอมีที่จะได้โอกาสทําความดีอยู่ให้ทานไว้อย่าประมาท ทา น, นั่นแหละให้ถึงความสุขความเจริญผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ทานไว้ทั้นัทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีบา ร, รมีสีบทาตุนี่พระพุทธเจ้าผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างไว้จะต้องบำเพ็ญไว้ เห็นหมเป็นพระเวสสันดรพะพุทธเจ้าของเรานะเป็นพระเวสสันดรนะทานตั้งโรงทานตั้งหกโรงทานใครอยากอะไรก็ให้ได้กินได้อยากทานหมดไม่มีอะไรจะทานทานทั้งลูกทานทั้งเมียมเรียกว่าปัญจมหาบริจาค ทานชีวิต ท, ทานวัตถุเข้าของทานลูกทานเมียนั่นทานหมดจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีถึงเต็มทานหมดเลย แรกก็ทานข้าวของก่อนต่อมาก็ทานมดลูกก็ทานเมียก็ทานท่านจึงว่าปัจจมหาบริจาคบริจาคใหญ่ให้ข้าวให้ของนี่ก็พอทำได้อยู่แต่คนถึงฐานลูกทานเมียนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาละ อย่างพ่ออย่างสงฆ์นี่ก็ลงมาเกิดก็ต้องมีลูกมีเมียเหมือนกันแต่ไม่เอาทานให้คนอื่นตั้งใจบวชปฏิบัติให้ไปสนใจเรื่องภายนอกสนใจเรื่องกิจใจของเจ้าของหรือตนเองของตนเองไม่ได้ห่วงคนนั้นคนนี้ ลูกก็ทานแล้วเมียก็ทานแล้วไม่ได้ห่วงอะไรอีกแล้วนั่นเราก็สามารถปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้เพราะเราไม่ห่วงไม่กังวลกับใครนั่นเราทานให้แล้วทานให้คนอื่นไปแล้ว นี่แหละให้พิจารณาใ่ตองดูสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างท่านทั้งหลายนี่แหละไม่มีอะไรอยู่ในตัวเลยตอนนี้มีแต่ลมหายใจเข้าออกกับเสื้อผ้าทรัพย์สินสมบัติโ น, น่นเก็บไว้ในตูเ้เซบ ถ้าไว้กุฏิก็กลัวคนจะไปหยิบไปลากเอาเก็บไว้อย่างดีไม่ต้องกังวลเลยบ้านไม่ต้องกังวลกับโทรศัพท์ไม่ต้องกังวลกับเงินกับทองกับสิ่กับของอะไรเลยตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังคนมานั่งภาวนาตลอดเจ็ดวันมันไม่ใช่ธรรมดา คนเหล่านี้ต้องมีบุญมีกุศลเคยสั่งสมกุณามความดีไว้จึงสนใจที่จะมาปฏิบัติหรือกระทำความดีอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองไม่ว่าทานว่าศีลภาวนาเราทำไว้ให้กับเราเองเราความดีทำทำความดีไว้ให้ตนทำความดีให้กับตนเองนี่ลองคิดดูสิ เราทำความดีไว้เราสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีสติเห็นลมหายใจเข้าออกเห็นใจของเจ้าของอยู่เท่านั้นเองเห็นใจของตัวเองอยู่ตลอดไม่ได้ห่วงอันนั้นอันนี้ไม่ได้คิดกังวุลอะไรเลยพาก็เหมือนกันไม่ได้คิดหล่ําคิดรวยไม่ได้คิดไป สร้างเนื้อสร้างตัวนั่นนี่สละหูทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมบนศีรษะก็สละไปโกนทิ้งแต่ก่อนนี่สิบห้าวันโกนครั้งหนึ่งมหาเถรสมาคมวางและเบียบให้โกนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งให้ทำทั่วประเทศนี่ทั่วประเทศนี่เลย เดือนหนึ่งโกนผมครั้งหนึ่งตัดทิ้งไม่ได้ไปตกแต่งไม่ได้ทำให้สวยให้งามอะไรเลยนี่แหละเรียกว่าสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้ความสุขความเจริญไม่ห่วงไม่กังวลกับเรื่องใดทั้งสิ้น ตั้งหน้ารีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีโดยตลอดไม่ประมาทเลยไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเร่งสั่งสมแต่คุณงามความดีให้กับตนหาความสุขให้กับตนโดยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีมีสุขเป็นพระอรหันตอรหันต์เป็นพออระ นาคามีเป็นพะระสกิทาคาเป็นโสดารันไม่ตกต่ำตั้งใจทําคุณงามความดีไม่ประมาททั้งกลางวันและกลางคืนสร้างความดีให้กับตนกายนี้ตายไปเผาทิ้งแต่ใจนั้นรับอาวุญและบาปไปนี่ ให้เข้าใจอย่างนี้ต้องไปเกิดใหม่เกิดใหม่ถ้ามีบุญจึงมีความสุขถ้าไม่ได้ทำบุญไว้ก็ไม่ได้ความสุขต้องไปเกิดในภพภูมิบรรดับจึงไม่ควรประมาทในการที่เราเกิดมาเป็นคนในชาตินี้ครูบาอาจารย์ก็มีอยู่การทำความดีก็มีโอกาสอยู่ ให้รีบสั่งสมคุณงามความดีไว้อย่าประมาทรีบให้ทานไว้รีบรักษาศีลไว้รีบทำเพียรภาวนาไว้คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละรีบทำคุณงามความดีเอาไว้จึงจะได้ความสุขความเจริญ ในพบที่ตนเกิดแล้วเกิดแล้วการปฏิบัติก็เป็นการทำความดีอย่างหนึง่งการให้ทานก็เป็นความดีอย่างหนึง่งการรักษาศีลก็เป็นความดีอย่างหนึง่งการภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ก็เป็นการทำความดีอย่างหนึง่ง ในทางพระพุทธศา ส, สนาให้ฐานก็ชำระใจของเราให้กิเลสน้อยลงขันรักษาศีลก็ทำความดีให้เราให้กิจของเราบริสุทธิ์ขึ้นเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พื่อติมิจฉาจารย์ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ดื่มสุรามีไรเรียกว่าทำความดีให้กับตนโอกาสที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละนี่แหละโอกาสที่เราจะได้ทำความดีให้ทำความดีไว้ให้มากไม่ว่าอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่บัดก็ตามให้สร้างแต่ความดี เพราะเรายัางมีการเรียนว่า้ตายเกิดอยู่เรายังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มาเกิดเข้าพระนิพพานไปเลยแต่ถ้าเรายัางไม่สำเร็จในการมาเกิดอีกก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการทำบุญทาบุญสวดที่มีความจาเป็นทําบุญในการให้ทานทำบุญในการรักษาศีลทบุญในการภาวนามีความจาเป็นสาหรับเราเราต้องทา เราต้องปฏิบัติเราต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าประมาทไม่ว่าเราอยู่ในฐานะใดๆก็ตามอย่าประมาทในการทำความดีอย่าประมาทอย่าคิดว่าเราไม่มาเกิดอีกตายแล้วแล้วไปอย่างที่เขาคิดเขาพูดเมื่อวานนี้ อยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำอยากทำชั่วแบบไหนก็ไม่ไ ม, ไม่มีปัญหาทำได้หมดถ้าคนคิดว่าสาต์หน้าไม่มีพบหน้าไม่มีก็สามารถที่จะทำความชั่วได้มากมายแต่ตายแล้วเขาจึงจะรู้สึกสำนึกตัวหรือว่ารู้ได้ในโอกาสอื่นมันแก้ไม่ทันแล้วตอนนั้นจะไปแก้ตรงไหนเราจะไปแก้ตอนไหนเพอหมดโอกาสหมดลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสแล้ว รัว่าเป็นมะเร็งีงก็รีบทําความดีให้มากให้ต้องตกใจว่าจะตายยังไงก็ตายอยู่แน่นอนก็รีบทําความดีให้ทานรักษาศีลความเฟ้นความดีเอาไว้เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างพวกท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะอะไรจรึงว่าชื่อว่าผู้ไม่ประมาทเพราะได้ทําความดีอย่างสูงส่ง เรามารักษาศีลเรามาบาเป็นกุศลคุณงามความดีอยู่อย่างนี้นี่แหละเราจะได้ไปด้วยเราจะมีความสุขในภพหน้าสาตหน้าไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมีชาตินี้ชาติดเดียวให้ตั้งใจทำความดีให้คิดว่าเรา ตราบใดที่เรายัางไม่สิ้นอาสวะกิเลสยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์การเกิดของเราก็ต้องมีอยู่แน่นอนคนเกิดอยู่ต้องมีบุญมีกุศลถึงจะมีความสุข